วาจังมุนเจยยะกัลยาณิงแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพา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 เกติคุณสมัยนั้นท่านโด่งดังมากเลยสมัยนั้นเยอะแต่ว่าจิต เคยครับแน่นอนความเมตตาย่อมครอบคลุมไปถึงศีลผู้ๆนั้นจะต้อง การกระจายข่าวไม่เหมือนยุคนี้ความโด่ง แต่ยังไงก็ตามคนป่วยรายนั้นน่ะพ่อของคุณนิคม มันเป็นเหมือนกับๆหรือไม่ก็บ้านเศรษฐีอ่าอ่าท่านพูด รากต้นสนนี่ก็คือกิ่งต้นสนเล็กๆที่ตอนๆได้คิดอาจเออครับมาขอความเมตตาจากหลวงปู่เออๆเอ็งไปตัก อาจก็เดินลงไปได้ถุนกุติอาตก็เดินลงไปได้ถุน 10 10 องค์มีอยู่หลายสี หลวงปู่ครับองค์สีเออก็ตักเอาใบที่มันปากเบี้ยวหน่อยอ่ะนั่นแหละตักเอาขึ้น ติดก็ไม่สนิทแถมยังอยู่ใต้กุฏิที่ฝังอ่าดินเหนียวไว้แช่แฉะอย่างเออมันมันเกาะมันเออแม้สีเอออ่ะเดี๋ยว การเสกพระพุทธคุณบทเนี้ยอ่าพ่อของคุณนิคมจําได้พอท่านนะโมเสร็จแล้วก็นะโมพุทธายะนะมะภะทะจะภะกสะนะ รูขาพยาธิทั้งปวงในร่างกายของทิศอาดนี่จงภินาศไปสิ้นว่าแล้วก็เป่าพรวดลงไปในน้ําตัวยานี้ลง แต่พอตัวเองไอมากๆขึ้นแถมมีเลือดออกมาตามเสมหะของตัวก็ต้องกลั้นใจปิดจมูกตัดสินใจมันจะ ร่างกายที่ว่าผอมแห้งก็เริ่มจะดีขึ้น และนายอาทุธอาทก็สามารถกินยาพิเศษเออเกินๆนี่พ่อคุณนิคมเล่าให้มีผู้ นุ่งผ้าจงกระเบนกําไลเท้าก็เป็นทองคําตันซะโตๆพันข้อมือไว้เป็นลูก อ่าหนุ่มสมัยนั้นไม่มีใครอดใจไหวอ่าหลุงหลายอ่าบางคนก็มีมีศักดิ์มีอะไรวันๆนึง มองคนนั้นคนแยะไม่ออกว่าอ่าไอ้จะเอาที่อ่าเพราะว่าคนงามคนไหนใจดีก็ไม่รู้เรื่องก็แต่งหนวดงงใส่หมวกศักราชเท่เหมือนแหวนนี่เต็มนิ้วไปหมดแต่ว่าหรือแม่ดก ี่ยวขาวลูกครึ่งไทยจีนคนนึงอาเซียอ่าอยู่นครปฐมแหละเข้ามาผูกพันธะทางจิตใจกับแม่แก้วอาเซียคนนี้ก็เพียรไปเพียรมาอยู่อย่างอ่าเกิดมามีอ่าส่วนคน อัศจรรย์รายนี้เกือบจะสําเร็จแล้วแต่ว่ากรรม ทีนี้หนุ่มๆทั้งหนวดงามและไม่มีเลยทีนี้เออนิสัยผู้ชายนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้พอ บางครั้งก็คิดจะฆ่าตัวตายแต่อ่าทีนี้กำนันหรือว่า อ่าทางวัดไร่ขิงเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากเร่ร่อนไปทํามาหากินด้วยเลือกสวนให้คนเพราะว่าชาวบ้านแถวสวนทําไร่กันท่านขุนนี่ก็ปีนั้นสวนมาทําการขุดลอก ทำท่าจะลาโลกภายในไม่ๆเพื่อจะทํางานในวันรุ่งขึ้นเดิน ภาวะเลือดธำรักษาหายากถ้าได้เอ่อไป 2 โหลเท่านั้นน่ะหายเป็นปิดทิ้งเลยๆข้าจะยกให้ครับเป็น ว่าสนาในทองเออตอนนั้นนั้นกําลังจะขึ้นหรือยังไงไม่รู้ก็ปรากฏว่าอ่าท่านท่านขุนหรือว่า น่ะพอเรือเทียบหน้าวัดกระทั่งมาถึงวัดหงอรุณรัสมีพอเรือเทียบหน้าวัดอ่าก็พูดกับนายทองที่ เอาตัวยามาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะเสกให้กินซะก่อนนายทองก็จัด หลวงปู่เซงบอก 3 วันแล้วก็ให้ดูผลๆอยู่หลังวัดนะ 3 วันที่นั่นวัน 3 ผ่านพ้นไปท่านก็ตรวจดูอีกครั้งก็ให้กลับ อ่าก็อยู่กินกันมาอ่าก็ถือว่าๆคือตอนนั้น คนไทยสมัยก่อนนี่ลูกมากอยู่แล้วลูกมากทุกบ้านน่ะข้าวครึ่ง ใครเป็นอะไรก็เอายาอ่าฤทธิ์ศีดวงทวารกับเพราะอาหาร อ่ามะกรูดผ่าครึ่งสวดอิติปิโสอ่าเวลาผ่านี่ต้องทําใจนิ่งด้วยนะอ่าใครที่จะไปช่วยหลวง ทีนี้ก็ใส่น้ําฝนสะอาดใส่ตามลงไปให้พอดีอ่าขอพร เดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะคุยถึงเรื่องยาไล่ทหารของหลวงปู่เซงค์ครับไอ้ตัวยาน้ํามะกรูดแชกเรือเนี่ยของหลวงปู่เซงค์นี่นะก็ทําให้นึกถึงตัวยาหลวงปู่สงฆ์วัดเจ้ามะกรูด เลือดน้ำฝนสะอาดมาดองใส่โอ่งเก็บไว้รักษาโรคร้าย วันคัดเลือกทหารลูกคนไหนเออความรักของพ่อแม่หัวอกพ่อแม่ก็รักเป็นห่วงลูกเป็น สมัยก่อนไปไหนมาไหนก็ไหมก่อนไปไหนมาไหนก็มันไม่ทันหวกทันใจอย่างเดี๋ยวนี้หรอกพายเหนื่อยเหงื่อกวาจะถึงจุดหมายปลายทางพายเรือแต่เช้ามาถึง อ่าไอ้แก้วข้าการเป็นทหารคราวนี้สักหน่อยละค่ะหลวงพ่ออ้าวเออไปเป็นทหารดีดีจะได้ไปช่วยชาตินะน่าจะให้ สองสามีภรรยาก็ใจร้อนก็ขอชนิดอาเพราะว่าสัปปะคุณ อย่าให้ลูกชายของโยมทั้ง 2 ถูกทหารนะให้คลาดแล้วปลอดภัยไม่ น้ำมนต์หลวงปู่ที่ว่าน่ะฉันไม่เข้าใจเลยเราก็อยู่หน้าท่า หลวงปู่เซงท่านก็รู้ยิ้มอ่าแล้วก็เปิดอาหารฉันไปเงียบๆสองผัวเออมั่วจริงมีอย่างที่ไหนน้ํามนต์อยู่ท่า 4 ลูกมา คิดว่าอาบขวดที่เอามาด้วยอารมณ์หงุดหงิดจ้ะลูกชายก็ถามว่าไหนล่ะพ่อเนี่ย 2 ขวดให้เอ็งเอาไปอาบอ่ะแหมนี่ทําให้ ไวยลูกชายก็ดีใจมากที่ได้น้ำมนต์อ่าเอาถังน้ำไปวางบนระเบียงบ้านแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วอ่าก็เอาน้ำมนต์หลวงปู่เซงเทออกจาก ลูกชายเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็พ่อแม่ไปพ่อแม่ดูน้ํามนต์หลวงปู่นี่ทําไมมันเทไม่ออกอ่ะน้ํามันติดขวดเนี่ยเป็นเพราะแก่ แกทั้งสองต้องจุดธูปเทียนขอขมาลาโทษจัง รับใบรับรองก็กลับบ้านได้ลูกชายก็เลยมาบวชพระอยู่ที่ๆที่ 8 ริ้วเพราะดันไปชอบแทน กลับต้องไปแอดๆอยู่ในท้อง